ผู้ที่ระลึกชาติได้เนี่ยท่านแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มคือตั้งคำถามว่าใครบ้างที่ระลึกชาติได้ใครบ้างที่ระลึกไม่ได้อารลึกแบบแบบมีฌานอภินยารองรับะนะไม่ใช่สัตว์แต่ว่าจำชาติกำเนิดได้แค่ชาติสองชาติไอประเภทแบบแบบเนี้ยไม่ไม่ประสงค์เอา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 2. องสาวกของพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติได้อย่างที่สามพระปะเจกพระพุทธเจ้าก็สามารถระลึกชาติได้โดยที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ระลึกชาติได้นี้ตั้งคำถามว่านักบวชนอกศาสนาที่เรียกว่าเดรธีไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเขาเหล่านั้นน่ะพวกไหนระลึกชาติได้บอกว่าพวกเดรธีหรือศีนอศาสนาที่ระลึกชาติได้นั้น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 ระลึกได้เริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเช่นตั้งท่านตั้งความปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นพระปจเจกพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องใช้เวลาสองอสงไขยแสนกับมันท่านก็ระลึกได้จบจนจุดเริ่มต้นในการตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระปจเจกพระพุทธเจ้าของท่านส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายระลึกชาติได้ไม่มีกาหนดว่าจะต้องเท่านั้นต้องเท่านีน้ระลึกได้ไม่มีที่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 แต่ว่าสําหรับภาษาวกทั้งหลายผู้ที่ผ่านการอบรมพิจารณาโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเข้าใจกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏรู้เห็นความเป็นไปแห่งจุติและปฏิสนธิพวกนี้จะระลึกชาติรู้กรรมรู้ผลของกรรมความเชื่อมโยงพวกนี้จะไม่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ย น, นะเพราะอยู่บนพื้นฐานของยะถาภูตยานทัศนะเพื่อสัจจานุโลมิกฉา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 ท่านตรวจดูจุติและปฏิสนธิแล้วระลึกชาติได้อ่านะท่านสำรวจว่าเมื่อจุติจากจุดนั้นเนี่ยปฏิสนธิต่อที่ไหนและเชื่อมโยงอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านใข้ครวญโดยจุติและปฏิสนธิเรียกว่าเริ่มสมมติว่าท่านระลึกข้ามชาติได้แต่ว่าแต่ละชาติต้องเปิดมูลตอนต้นคือเริ่มตั้งแตปฏิสนธิณชาตินั้น่ะเช่นว่าเมื่อแสนชาติที่แล้วเนี่ย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 และการระลึกของพระพุทธเจ้านั้นนะนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมไม่มีการผิดพลาดไม่มีการผิดพลาดแม้เพียงเท่าปลายขนทรายพันพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยนะสี่ิบห้าปีบอกว่าภิกษุวันก่อนเราบอกผิดไปพลาดไปนิดหนึ่งเอกไม่มีนะสำหรับของพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่นิดเดียวความผิดพลาดแม้ปลายขนทรายไม่มีสาหรับพระพุทธเจ้าและไม่ขัดข้องไม่มีติดขัดด้วยเนี่ยนะ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 สัดไปบนยอดเขาสีเนรุเพราะทะลุทำลายแตกกระจายได้หมดเลยไม่มีติดไม่มีขัดประดุดอะไรก็บอกว่าดุดลุกปืนนั่นแหละนะแล่นไปได้อย่างไม่ติดแล่นไปได้อย่างไม่ค้องไม่ขัดนั่นเองอันนั้นเป็นเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติได้นะตัวอีกครั้งว่าการระลึกชาตินั้นมีอยู่ผู้ที่ระลึกชาต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 พระผู้มีพระภาคอรหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกดูก่อนพิสุทั้งหลายในพัทธกับกับอันเจริญนี่นี่แหละมีพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในพัทธกับนี่แหละพระผู้มีพระภาคอรหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก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 ที่หนึ่งนะนับจากนี้ไปสอสงไขยที่หนึ่งมีพระพุทธเจ้าสามองค์อสงไขยที่ like um. สองมีพระพุทธเจ้าสี่องค์อสงไขยที่สามนับจากนี้ไปอ่นะก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอสงไขยที่สี่นับถอยหลังจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์อนะสี่พระองค์พันธ์พายในเสียอสงไขยมีพระพุทธเจ้ากี่องค์เสียอสงไขยนะช่วงนะช่วงช่วงเสอสงไขยสี่ห้า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 แต่ถ้านับจากนี้ไปถอยหลังไปอีกหนึ่งหมันกัก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์คือพระพุทธเจ้าปิยทัศ ส, สีอัทัศ ส, สีธรรมทัศ ส, สีอุบัติขึ้นสามองค์แล้วก็ถ้าเมื่อเก้ัสบสี่กัที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวคือพระสิทธะพุทธเจ้าถ้าถอยหลังไปเก้าสิบสองกัมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์ติดสัุทสถ้าถอยหลังออกไป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 สิ้นสุดอนาคตที่ผันแปลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นถ้ามองจากองค์รวมระดับอสงไขยระดับหลายๆร้อยหลายหมื่นอสงไขยอายุของเราเนี่ยแม่มแมลงวีกระพีปีกก็หมดแล้วเนี่ยนะจุติแล้วเนี่ยนะอายุมันสั้นนิดเดียวจริงๆเลยเนะมันก็มีอยู่เท่านี้นี่พูดถึงว่าตอนที่โลกเกิดการรวมตัวขึ้นเนี่ยนะ ท่านบอกว่าการรวมตัวของโลกเทวโลกมันปรากฏขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมรรคไปดูเอาส่วนฐานะของมนุษโลกเนี่ยนะเหมือนเมื่อ น, น้ำเข้าไปแล้วก็ปิดปากทํามกรกเสียน้ำนั้นก็อยู่ได้ด้วยฐานะของลมคือลมเนี่ยมาอุ้มน้าน้ำเนี่ยตั้งแผ่นดินเนี่ยตั้งอยู่บนน้าอีกทีหนึ่งก็ถามว่าโลกนีนะโลกนีร้อยเอร์เ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 จะมีจะเป็นที่ตั้งแห่งโพธิที่บรลังให้มีผู้มาต ร, ารัสโรหรือไม่ตรงบริเวณนั้นเหมือนมีกอบัวอยู่กอนหนึ่งเป็นนิมิต ท, ที่รู้ได้เฉพาะคนมีบุญเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายบอกเลยว่าเานะนี่ยมีกอบัวนะถ้าหากว่าบัวกอบัวเหล่านี้ถ้ามีดอกแปลว่ามีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีดอกไม่มีพระพุทธเจ้าอธิบายว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าจักอุบัติขึ้น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 วแต่ว่าอะไรโทบมนัดห้อยท้ายห้อยหลังันนะแต่สำหรับพระโพธิสัตว์นั้นอาสังขาร็กเนี่ยนะมีกำลังมากแล้วก็ดีใจประกอบด้วยปัญญาและมีเมตานำหน้าตอนมาเกิดเนี่ยนะเป็นเป็นมหามหวิบากหที่เรียกว่าเมตานำหน้าตามหลังเพราะอะไรเพราะต้องการประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้ที่มีเมตา ม, มาก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 มีพระผู้มีพระภาคะนะแปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นแล้วก็สี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นนะแล้วก็ร้อยปีแหมรถพวกมากเลยน ะ, ะรถจะน่าตกใจเลยนะเธ<ม>อถ้ามีคําถามว่าเหมือนกับว่าโอพอถึงช่วงมนุษย์อายุแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดขึ้นมนุษย์ก็อายุโลดมาเรื่อยๆจนถึงอายุเจ็ดหมื่นปีพลัส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 ก็พระองค์ก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆพระองค์ก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าปีท่านเองนะนะ่ประมาณสามหมื่นหกพันปีเอ่อสามหมื่นห้าพันปีสามหมื่นสองพันปีนะประมาณนั้นแนหะออก็อยู่อยู่ไม่ไม่ประมาณน่ะนสามหมื่น 30, กว่าปีานะไม่ถึงสี่หมื่นปีเต็มทีนี้พอมาถึงกับเดียวกันก็คือกับของเราทั้งหลาย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 สิบปีสิบปีก็ขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือสามหมื่นปีจึงมีพระพุทธเจ้าโกนาคามณะเกิดขึ้นเสร็จแล้ว um, มนุษย์ก็อายุลดมาจนถึงสิบปีแล้วขึ้นไปใหม่จนถึงอสงไขยปีแล้วลดลงมาถึงประมาณสองหมื่นปีพระพุทธเจ้าพระนามวา่ากัสปะจึงเกิดขึ้นแล้วก็ลดลงมาจนถึงสิบปีแล้วขึ้นใหม่จนถึงอสงไขยปีแล้วลดลงมาถึงประมาณร้อยปีพระพุทธเจ้าของเราจึงเกิดขึ้น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 เขาบอกว่าต้นแครไฟตต้นนั้นเนี่ยนะสูงถึงร้อยศอกในวันนั้นลาต้นเนี่ยพุ่งขึ้นขึ้นไปข้างบนนี่ห้าสิบศอกกิ่งก็แตกขยายสูงขึ้นไปอีกห้าสิบศอกอันหนึง่งต้นแครไฟตนั้นในวันนั้นน่ะมีดอกดุดติดช่อปกกลุ่มเป็นอันเดียวกันตั้งแต่โคนต้นกลิ่นทิพย์ก็ฟุ้งไปเนี่ยนะ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 เก ว, ว่าอากาศปฐมก็บานบนอากาศบัวหลวงนะครับเ ว, ว่าบัวหลวงก็บานพวกบัวหลวงทั้งหลายก็ที่ผุดจากพื้นดินก็บานขึ้นแม้มหาสมุทรก็ดารดาษไปด้วยปฐมห้าชนิดปกติเนี่ยไม่เคยมีทะเลที่ไหนมีดอกบัวขึ้นหรอกแต่ว่านี้เป็นพิเศษว่าช่วงที่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ขนาขณะนั้นเนี่ยดอกบัวทั้งหลายก็จะบาน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 เปรียบเหมือนยกธงขึ้นหนะ้ริมขอบจั ก, กรวาลด้านทิศตะวันออกจอดริมขอบจั ก, กรวาลด้านทิศตะวันตกดุดธงยกขึ้นหนะ้ริมขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกที่ใต้ที่เหนือจอดริมขอบจั ก, กรวาลด้านที่ใต้ได้เป็นจั ก, กรวาลอันสมบูรณ์ด้วยสิริของกันและกันอย่างนี้ น, นะมีแต่ความงดงามทั้งหมดเลยที่เป็นอย่างนี้ถามาเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ย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 พระผู้มีพระภาคอรหันต์ต oh ัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูมีพระโสนและพระอุตระเป็นคู่อักรสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะมีพระวิทูละและพระสัญชีวะเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณมีพระ พิโยสะและพระอุตระเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีพระติดสะและพระพารทวาชะเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราบัดนี้มีสารีบุตรและโมฆาลานะเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญเนี่ยนี่ก็กล่าวถึงเกี่ยวกับพระอริยะ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 เพราะเป็นผู้ที่มีคุณไม่เหมือนกับสาวกที่เหลือเว้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพนามว่าวิปัสสีท่านเหนือกว่าทุกทุกองในนั้นอัน น, นอย่างสมมติว่าอาพระผู้พระเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผู้ที่ยังถึงพระพุทธคุณได้มากกว่าคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าปัญญาเนี่ยนะาบอกปัญญามากปัญญาน้อยวัดกันที่ไหนวัดกันที่ว่ารู้จักคุณพระรัตนตรัย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 จากเมืองอรุณวดัดีท่านไปพร้อมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีแล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ล้าอย่างแก่พรหมบริษัทธแสดงธรรมะแผ่ไปทั่วมื่นโลกาธาตุคือท่านเนี่ยท่านให้มื่นโลกธาตุเนี่ยนะท่านแผ่ท่านเข้านีลักษิ์ศลก่อนและอธิษฐานให้หมื่นโลกาธาตุเนี่ ย, ะะ ม, ยมึดทั้งหมดเลยในชั้นแรกเนี่ยท่านพระอภิภูเนี่ย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 ครั้งหนึ่งมีครั้งที่หนึ่งะนะมีการประชุมสาวกจํานวนพิสษุแปดหมื่นรูปครั้งที่สองมีพระสาวกประชุมกันเป็นพิสูจํานวนเจ็ดหมืนรูปครั้งที่สามมีพระสาวกประชุมกันเป็นพิกสูจํานวนหกหมืนรูปดูก่อนพิสูุทั้งหลาย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 ที่เจรนาโดยเย็บคายตามคําสอนสามารถตรัสรู้ได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านก็ตามระลึกถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนใส่ใจตามคําสอนเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพผาา้าหันถึงที่สุดแห่งสาวกบา ร, รมาีญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบถึงการบรรลุเป็นพผ้าหันของภาษาบุตรเสร็จแล้วพระองค์ก็เหาะไปยังกว่าเหาะไปยังเวหาไปปรากฏตัวนะ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 ดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาชื่อว่าวุฒิชะเป็นอัคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอารหันตแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสุสันทะดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกูุผู้อุปถ า, ช, ปา ช, ชื่อว่าโสติชะเป็นอัคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ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 พระสุนักขตาริชวีบุตรอุปถาบางครั้งพระจุนทาสมุทเทศน้องชายพระสารีบุตรอุปถากบางครั้งพระสาคตะอุปถากบางครั้งพระเมคียะอุปถากก็มีอุปถาที่ไม่ประจําสมัยโพธิการนะนะประถมโพธิการคือช่วงหลังจากตรัสรู้จนถึงตอนที่พระองค์ได้ยี่สิพรรษานะยี่สปีแรกนั้นอุปถากไม่ประจํา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 ประทับอยู่ที่นั้นอยู่แล้วถ้าหากว่าอควรที่จะกระจายแล้วได้รับประโยชน์มากกว่าก็กลับมารวมกันเพราะฉะนั้นกระจายออกไปเถอดจะได้ช่วยสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายทีนี้ภาษาวทมหาสาวกหรือที่เรียกว่าอสิติมหาสาวกแปดสิบรูปที่เหลือตั้งแต่พระโมกขาลานนะก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาขออุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็ห้ามสาวกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่นะ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 หรือบางทีเนี่ยก็จะมีคนกล่าวตำหนิอะไรกันอา น, น์พระอานุนเนี่ยอุปถากภพระพุทธเจ้าแม้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทำการสงเคราะห์แก่พระอา น, น์เดี๋ยวเรื่องจะเสียหายลูกรามใหญ่กลายไปถึงพระพุทธเจ้า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 แต่ไม่เท่มไปแล้วว่าต้องไปนั่งคุยกับพระพุทธเจ้านะไม่ท่านไปดูความเรียบร้อยถือถ้ากลางคืนเนี่ยถือคดเพลิงเดินรอบพระขันธกุฏีเนี่ยนะประมาณเก้ารอบอประมาณเก้ารอบเนี่ยก็แปลว่าทุกๆสิบห้านาทีเออสีห้านาทีด้วยซ้ําไปเนี่ยนะสีิบห้านาทีเนี่ยเขไปดูหน่อยละดูความเรียบร้อยแต่ท่านทําด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อพระพุทธเจ้าอ น, นะอุปถากด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาอุปถากด้วย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 นะสามคาวุฒก็ประมาณ12กิโลเมตรเนี่ยนะพื้นที่รัฐประมาณ12กิโลเมตรพระเวสภูก็พื้นที่บริเวณวัดก็ประมาณ8กิโลของพระกกุสันท่ก็ประมาณคาวุฒิหนึ่งก็ประมาณพื้นที่4กิโลพระโกนาคมาะก็เึ่งคาวุฒก็พื้นที่บริเวณวัดประมาณ2กิโลส่วนพระกัสปะก็20อุสภะเนี่ยนะก็ลดน้อยถอยลงมา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 สิขีเศถีทีชื่อว่าโสธยาซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าเวสภูเศถีทีอัจจุตะซื้อสถานที่ถวายพระพุทธเจ้ากะกุสันทะเศรษทีอุค้าซื้อที่ถวายพระโกนาคมาณะพุทธเจ้าเสถีทีสุมานณะซื้อที่ถวายพระกัสปะส่วนเศรษฐีสุทตัตตาใ น, นชื่อจริงชื่อว่าสุทตัตตาแต่เนื่องจากว่าให้ทานแก่คนยากมากก็เลยชื่อว่า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 พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเมืองอยู่ที่ไหนเมืองอยู่ทางทิศเหนือวัดอยู่ทางทิศใต้เนี่ยนะเมืองสาวัตถีนี่อยู่ทางทิศเหนือของเชตวันนะวัดพระเชตวันอยู่ด้านที่ใต้ของเมืองสาวัตถีแต่บางทีนะ ต, ตำแหน่งวัดนี่จะเป็นที่เดิมบางทีเมืองก็ลอ้อมรอบนะของแต่ละองค์เนี่ยไม่ไม่ตำแหน่งไ ม, ไม่ไม่ใช่เหมือนกันอันหนึ่งพระพุทธเจ้า ault, ทุกพระองค์นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ห้าอย่าง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 เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์ที่มีพระชนมาายุยืนบางพระองค์นี่มีพระชนมาายุน้อยอันนี้ความต่างการแห่งอายุเช่นพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรเนี่ยนะเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วพระองค์นั้นมีพระชนเกิดในยุคมนุษย์อายุแสนปีในยุคของพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมาายุร้อยปีเนี่ยนะก็ห่างกันเยอะอนะเลขศูนย์หายไปกี่ตัวเนี่ยเลขศูนย์หายไปสามตัวเลยนะ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 สังสาระจักนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ในอดีตหักสี่กรรมแห่งสังสาระจักรแล้วกรรมที่นําไปเกิดในนรกก็ตัดเสร็จสิ้นแล้วกรรมที่นําไปเกิดในเปรตอสุรกายและเดรัชานก็ตัดและทําลายเสร็จสิ้นแล้วกรรมที่นํามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพ PM, เกิดเป็นมารเกิดเป็นพรหมเหล่าใดกรรมเหล่านั้นพระองค์ตัดเสร็จสิ้นแล้วทําลายสี่กรรมแห่งสังสารจ cool. ัรกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงก้าวล่วงทุกทั้งปวง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 โลกิยะสมาบัติโลกุตระสมาบัติหรือที่เรียกว่าพรหมวิหารทิพวิหารอาริยวิหารตลอดจนถึงนิโรธสมาบัติว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระองค์เข้านิโรธสมาบัติอะไรบ้างหรือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นหลุดพ้นอย่างไรบ้างหลุดพ้นจากอะไรด้วยคุณธรรมอะไรเช่นหลุดพ้นด้วยวิขมพนาวิมุตด้วยอํานาจของสมถะหลุดพ้นด้วยตะทางคขวิมุตด้วยอนุภาพของวิปัสนาหลุดพ้นได้อย่างเด็ดขาดด้วยอํานาจสมุทเฉทวิมุตคืออริยมรร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 เทวดามาบอกมั้งหรือว่ารู้เองตกลงพระพุทธเจ้ารู้เองหรือเทวดามาบอกอะ น, นะก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งสองอยา่างตอบประเด็นแรกก่อนว่าพระองค์รู้เองก่อนพระองค์รู้เองด้วยเทวดามาบอกด้วยอ่ะ น, นะคือพระองค์ทั้งรู้เองด้วยและเทวดาก็บอกด้วยส่วนรายละเอียดตอนต้นก่อนนะที่พระองค์เนี่ยรู้เองก็กล่าวถึงพระโพรายละเอียด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 เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรามาพวกเธอก็เลิกคุยกันเนี่ยนะคคุยเรื่องอะไรค้างอยู่ละ่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบทูลทะกราบทูลกราบเรียนเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพวกข้าพระองค์ได้สนทนากันขึ้นในระหว่างว่าน่าอัศจรรย์ น, น, นะนะเหตุการณ์แบบนี้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 พระองค์เหล่านั้นมีศีลอย่างไรมีธรรมะอย่างไรมีปัญญาอย่างไรมีวิมุตตอย่างไรเนี่ยน ะ, ะมีวิมุตต์อย่างไรมีวิหารธรรมเหล่าใดเรื่องนี้นะท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นอย่างไรหรือว่าพระองค์องเองพระองค์เดียวก็หมายว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์องเองเพราะอะไรเพราะพระองค์แทงตลอดธรรมธาตุคือสัพพัญยุตยา น, นี่แหละที่เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยแทงตลอดธรรมะทั้งปวงเพราะอนุภาพแห่ง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 ไปก็ไปประทักศินไปเ ว, นเวียนขวาพระมารดาแล้วก็คล้ายกับแหวกคือพระพระุทธมารดาเ น, นี่ยนอนตะแคงขวาใช่ไหมนอนตะแคงขวาหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกก็เหมือนกับว่ามาแหวกแหวกสีข้างนะนะแหวกสีข้างข้างขวานี่เข้าไปสู่คันแสดงว่าถ้าแหวกปรดัดก็คือแหวกสีข้างบ้างขวาแสดงว่าพ ร, พระองค์นี่นอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงซ้ายก็พระโพธิสัตว์เหมือนกับแหวกแหวกสีข้างนี่เข้าไปในท้องเลย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 หมอนเนี่ยมันปิดจมูกแล้วหายใจไม่ออกตายอย่างเงี้ยนะมันไม่ม่ใช่เหตุผลที่ว่ามันสมควรอะไรเลยเนี่ยนะอยู่ๆแล้วก็อะไรนะเปิดเครื่องเสียงแล้วเครื่องเสียงไปอยู่ใกล้ๆตัวไหมแล้วเครื่องเสียงมันชดตายอย่างเงี้ยนะเอออย่างว่าถ้ากรรมมันจะให้ผลเนี่ยนะนทุกแห่งเนี่ยถ้าหากว่าอกุศลมันให้ผลแต่ถ้าหากว่ากุศลให้ผลมันหน้าตายยังไงก็ไม่ตายเนี่ยนะรอดมาได้ยังไงแค่ว่าปาฏิหาร เรีว่าเครื่องบินตกทั้งลําเนี่ยรอดเด็กอยู่คนเดียวเนี่ยเออไม่ตาย ท, าทั้งที่มันหน้า บ, บอดจริงๆแล้วทั้งบอกทั้งบางกับเพื่อนหมดหน้าตายใช่แต่เด็กคนนี้กลับไม่ตายอคนอื่นตายหมดอยังไงนะทั้งลำเนี่ยตายหมดเหลือคนเดียวยังงเพราะั่นอ่าพวกนี้มันก็แล้วแต่กรรมแต่ขณะเดียวกำเนี่ยนะมันไม่ได้มีแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวนะนะีนะน่ยามในโลกนี้มีหลายอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะกรรมมันนิยามอย่างสุขภาพไม่ดีบางทีเนี่ยเราโทษกรรมโดยส่วนเดียวไม่ได้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 บางคนนี่เสียใจนะที่ได้มาเกิดโอ้ไม่น่าเลยมาได้ยังไงเนี่ยนะมันก็เหมือนกับอะไรคนที่ไปเที่ยวใช่เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วมาตกที่อับตกที่นั่งลำบากบอกมายังไงเนี่ยไม่น่ามาเลยเนี่ยนะมาได้ยังไงเนี่ยนะคล้ายๆแบบนั้นแหละก็เลยเดือดร้อนละนี่ข้อต่อไปข้อสิบสามพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทางลาย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 แสงพุ่งออกมาก็เหมือนกับดวงไฟที่มีพลังแห่งแองสว่างเนี่ยมากเอ่อเล่าถึงโลกาณตนรกนิดหน่อยบอกว่าความกว้างของโลกาณรกนั้นประมาณแ0ดพันโยศปกติแล้วดวงเอ่อจักคู่วิญญาณไม่เกิดเลยเพราะไม่เคยเห็นเพราะไม่มีแสงสว่างะนะคือจักคู่วิญญาณจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ประการหนึ่งจักสุสองรูปสามแสงสว่างสี่มณสิกาเนี่ยนะจักคูวิญญาณจึงจะเกิดได้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 ่ทำรอดเนี่ยทำรอดไปมันก็ต้องรอดแล้วก็ต้องพายเรือไปเนี่ยโอ้ยมีกลุ่มข้างคาวเนี่ยเยอะมากแล้วก็แขวแองนะหมอไม่สวยด้วยหรอกข้างคาวอยู่ที oh, ่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่สวยด้วยครับปลาก็เขาเรียกว่ามองลงน้ําก็มีแต่ปลามองขึ้นฟ้าก็มีแต่ข้างคาวเนี่ยนะหมอไม่สวยด้วยกลัวจะไปเกิดแถวนั้นเนี่ยนะหมอสวยคนเดียวสวยด้วยหรอกกลัวจะไปเกิดบริเวณนั้นไปเป็นพวกข้างคาวเนี่ยนะ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 นันในสี่หมื่นองนั้นเฉพาะในจั ก, กรวาลนี้ท้าวมหาราชของเราเนี่ยก็เข้าไปเป็นทหารยามอยู่ในห้องเลยเพื่อคอยอารักขาพระโพธิสัตว์นะเข้าไปสู่ห้องอัมมีศิริเพราะฉะนั้นจึงคอยเรียกว่าป้องกันไม่ให้พวกยักษ์พวกปีศาจคลุกเล่นฝุ่นหรือคลุกฝุ่นเพราะฉะนั้นก็พวกนั้นก็จะหนีไปแล้วการอารักขาเนี่ยอารักขาทั้งห้องจั ก, กรวาลแต่พิเศษเฉพาะ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 แม่บางคนเนี่ยโว้ยก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จมาหมดพอมีลูกก็เดือดร้อนทันทีเลยก็มีมันก็มีหลายเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวโยงเกี่ยวใ ย, ยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในคันบางคนเนี่ยอแม่มีความสุขมากแต่บางคนเนี่ยแม่เนี่ยเดือดร้อนเนี่ยนะพอมีคันแล้วก็ป่วยบ่อยมากเลยเนี่ยนะแม่ก็ป่วยถ้าแม่ป่วยบวย่อยๆแล้วลูกจะเป็นยังไงเอา้าลูกแม่บางทีก็ป่วยมากเลยนะลูกก็เดือดร้อนตลอดเวลา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 บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมด า, ามีอยู่ดังต่อไปนี้อีกว่าหญิงอื่นๆบริหารคันเนี่ยนะเกเดือนบ้างสิเดือนบ้างจึงคลอดสําหรับมารดาพระโพธิสัตว tha เหมือนอย่างนั้นไม่พระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นบริหารคันพระโพธิสัตว์หมายความว่าบริหารพระโพธิสัตว์ในพระคราเนี่ยครบสิบเดือนท้วนจึงประสูตรข้อนี้เรื่องนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา น, นะนะ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 เพราะอะไรเพราะสิ่งของทั้งสองเป็นของที่บริสุทธิ์ชั้นใดดูความพิสูจน์ทั้งหลายชันนั้นเหมือนกันในเวลาที่พระโพธิรรสัตว์ประโสนิจากพระคารพระมารดาก็ประสสนิอย่างง่ายใดยทีเดียวไม่เปรอะเปื้อนด้วยนะ้าไม่เปอะเปื้อนด้วยเสมหะไม่เปอะเปื้อนด้วยโลหิตไม่เปรอะเปื้อนด้วยสิ่งไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้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 ไหลมาจากอากาศสายน้ําร้อนสายหนึ่งสายน้ําเย็นสายหนึ่งนะเป็นน้ํามาสําหรับสงสนารอาบให้แก่พระโพธิสัตว์และมารดาพระโพธิสัตว์นะความที่สายน้ําไหลมาเนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบทว่าอุทกะทาราคือสายน้ําสายน้ํานั้นเป็นน้ําเย็นไหลออกจากหม้อทองน้ําร้อนไหลออกจากหม้อเงิน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 เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกเศรษโฮหามาสมิเป็นผู้ประเสริฐในระดับโลกวั ง, งั้นยิ่งกว่าโลกยิ่งกว่าทั่วทวไปเนี่ยนะอโคฮามาสมิเชตโธเศธโธ โ, โลกัสะอยะอ่ะ น, นะความเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการคลอดจากครันหรือการอยู่ในคันเนี่ยมีเพียงเท่านี้การออกจากคันก็มีเพียงเท่านี้บัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเกิดใน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 เมื่อเทวดากั้นเวตฉัตรที่ตามเสด็จอยู่ในบทนี้ยกตัวอย่างว่าสเวตฉัตรเนี่ยนะที่จริงแล้วเครื่องเครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือเครียกว่าเครื่องแต่งองค์ทรงกษัตริย์เนี่ยจะต้องครบห้าแต่นี้ยกมาเฉพาะฉัตรทจริงแล้วหมายถึงพระขันคือดาบเป็นต้นนั่นเองที่เป็นบริวารของฉัตรบทว่าในเบญจราชกุฏภัณฑ์เนี่ยนะก็คืออะไรฉัตร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 ตอนที่ประสูตรเนี่ยนะตอนที่พระองค์ประสูตรนั้นพวกเทวดารับก่อนเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์นั้นจะได้รูปประชาญทั้ง4ส่วนพวกมนุษย์รับในภายหลังก็เป็นบุพภณิมิตว่าพระองค์จะได้อารูปประชาญสพินที่ขึงสายแล้วก็มีเสียงดังเหมือนกระดิ่งเองเนี่ยนะอันนี้เป็นบุพภณิมิตแห่งการได้อนุบุพผวิหารธรรมอนุบุพผวิหาร9ก้าเนี่ยนะก็ประทมชามไปเรื่อยจนถึงนิโรธสมาบัติเนี่ยนะ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 คนพิการมีกําลังเนี่ยนะค น, คนพิการก็มีเกิดมีแรงขึ้นมาเนี่ยนะแปล ว, ว่าคนเอามาเพลกเอามาพาดลุกเดินได้นี่แปลว่าพระองค์จะได้อิทธิบาทสี่ส่วนคนใบ้จ๋าแต่กําเนิดเกิดมาแบ่แบบแบแบมาตลอดนี่ก็พูดได้แปลว่าได้สติปฐานสี่หรืออีกในหนึ่งก็บอกคนใบ้คนหลงลืมทําลายไหล ย, ยืดเนี่ยนะรู้อะไรซากอย่างเลยนะแล้วก็กลับมีเหมือนกับรู้ตัวขึ้นมามีสติสัมปชัญญะขึ้นมาอันนี้พระองค์ได้สติปฐานสี่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 ให้เขาเหล่านั้นได้รับแสงสว่างเนี่ยนะได้รับอะไรธรรมะจากสุอโลก์ก็เรียกว่าโซดาปฏิมัณฑ์เป็นต้นจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาส่วนผู้ที่มีเวณปกติเนี่ยพยาบาทผูกเวณกันมาตลอดก็มีเมตตาจิตต่ตอกันอันนี้เป็นเครื่องหมายของการได้พระมิหารสี่จตุกสนะพระ อ, องค์ก็จะอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา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 เพลิดเพลิน ด, ดีใจเนี่ยประกาศอันนี้มีความหมายว่าการถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งอุทานขอภายหมายถึงการที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเปล่งพุทธอุทานทั้งหลายเปล่งพุทธอุทานทั้งหลายของพระพุทธเจ้าตามนับแต่ตรัสรู้พระองค์ก็อุทานมาเรื่อยๆใช่หพระองค์อุทานแปดสิบกว่าครั้ง น, นะพระองค์เนี่ยอุทานแปดสิบกว่าครั้งการที่ฝนตกทั้งสี่ทิศนะ